วันนี้ตรงกับวันที่สิบเสียหาคกล่มสองพันห้าร้อยสามสิบตอนที่แล้วมาบอกว่าวันที่สิบความจริงผิดไปเป็นวันที่เก้าแล้วก็วันนี้วันที่สิบคืนวันจันตอนที่แล้วมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มทีวเวลาพูดเกิการเสียท้องมีความร้อนภายในเสีงหาขึ้นบังหลอดลมก็จะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำ ถ้าลูกหลัก็ะลานหลักทุกคนถามว่าทำทำไมทําไมจึงมาหยุดก็มาขอตอบว่าเขุนดาลูกกหลักละลาทุกคนจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าส่งตัดว่าอานาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังแปลว่าบุคคลที่มีการงานแม่งแม่ข้างค้างเป็นอุดมมงคลแม้กระหมความวงานสิ่งใดที่ตั้งใจจะทํา จะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็าตามถ้าไม่เกินนิสัยจริงๆตั้งทําให้แล้วเสร็จถ้าพยับยังไม่ทําให้แล้วเสร็จต่อไปจะเคยตัวด้วยความขี้เกียจ <c oughs> การงานต่างๆทุกอย่างที่ทําจําเป็นต้องมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคราไม่ต่อต้านอุปสรรคต่อไปเราก็แพ้เลยเป็นคนที่แพ้ไม่ดีเป็นอัปมงคลวันนี้ก็รู้สึกร่างกายไม่ดีมาก ตอนนี้ร่างกายสุดโทมมากแล้วป่วยไข้ไม่หายเรื่องพึ่งาวต่างๆก็สงสัยว่าลูกหลานทุกคนคงจะเบือ่อเทรมาก็ดาวโทรมาก็ดาวตอนนี้ไปวันนี้จะลุยดาวให้หมดจะเล่าเรื่องแต่เพียงรยอย่อเมื่อวันก่อนมาหยุดอยู่ที่ดาวจามอนก็เป็นเรื่องของจุไยเหมือนกันเจว่าทุกอย่างเป็นมิจาา แต่ว่าก็น่าแปลกทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าใม่ทานบางคนก็คิดว่าเป็นรื่องจริงมันอาจจะตรงกับเรื่องจริงก็ได้เพราะเป็นการบังเอิญเอาอย่างนี้ไปเล้วกันเวลานี้โจไรกับแม่ยังไม่กลับบ้านเพื่อนจะออกจากดาวจามอนเธอก็พารกับแม่ว่าคนที่ดาวจามอนท่านโลกจามอนนี่สวยจริงๆผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็สวย ทุกคนมีเนื้อขาวเกลี้ยงสีขาวนวลนวลไม่ขาวซีดแก่เหลืองก็ไม่เหลืองขาวซีก็ไม่สีขาวนวลนวลทุกคนเป็นคนเนื้อตมไม่ใช่คนอ้อวนทุกป <c oughs> ียาวาจาก็เรียบร้อยหน้าตานนยิ้มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทุกคนเลิกจากงานไม่จะมีาการเครียดแต่หน้าตาก็ยิ้มแย้มเหมือนกันทุกคน โลความโลกนี้น่าจะมีความสุข ต, ต, ต่อไปโยไรจะถานแม่ว่าตอนนีไปจะเป็นโลอกอะไรแม่ก็บอกว่าคนจะย้อนเป็นลูกเสามันจะเรียกว่าดาวพระเสาดาพระเสานี่เป็นดาวลูกลักลันลักขันหลายถ้าเรียกว่าเทพเจ้าแหงอันดภานพราะว่าในมนุษย์โลกในมหาลักษาท่านบอกว่า ถ้าบุคคลใดพระสาเข้าแทรกไ ม, ม่เฉพาะสาวสวยอายุคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้ <c oughs> ต่อเนื่อไปสอแมล่ลงกระตัดสิ้นใจตรงไปดาวพระเสาในวันที่พูดดาวพระเสาอยู่ตรงกับดาวพระพุธแต่ดาวพระเสาอยู่ทางบ้านทิศเหนือดาวพระเสาร์มีลมอับรู้สึกว่าดินแดนที่นี่ความสว่างสวยก็น้อยมาก เกือบจะลึกกับโลกหนึบก็คงจะไม่หนักมากมากจะไม่ ม, มากสภาพความเด็นทุกขก็สองสองไม่โล ก, กเลยสว่างเ <c oughs> มื่อเธอเดินสองลอยไปถึงดาวเปรเซาก่อนจะเข้าไปถึงจุดดาวเปรเซาก็อยู่กไกลๆก่อนถ้าการอยู่ไกลมองเห็นไม่ชัดถ้ามองดูไม่รอบตัวจะดูทิศไหนก็ได้มองไปด้วยอหนาย เห็นหมเนม่สีดําลายท่านมันอยู่เหนือดาวเสาตั้งมากมาข้างเป็นแม่สีขาวเมื่อต่อไปด้านหัวด้านท้ายเป็นเม่มีน้ำฉ่ำเคลืนเลงข้าไปข้งดาวพระเสาจริงๆดาวพระเสานี่ความจริงไม่มีพระมีแต่เสาที่ <c oughs> มีแต่ดาวทีมีโลกนั่นเออเขาเป็นเรื่องโลกของดาวโลกของเสา อ้าใข้อะไรพื่อนมองไปเท่าไรก็ไม่เจอสิ่งที่มีชีวิตในข้อนี้เขาไม่ดาบเพื่นของบริษัทเพื่รับฟังเจียว่าอ น, นินธานไปเทียบกับวิทยศรราศาสตร์นิทานย่อมพูดลอยตามชอบใจอยู่เสมอคำว่าผิดหรือคำว่าไม่จริงของนิทานไม่มีถ้าไม่ผิดหรือจริงต้องไม่ใช่นิทานเป็นศัจจธรรมในวิทยาศาสต ร, ร์ ดวความอนุธามมองทุงสัตว์ไม่มีที่โลกเขเสามองไปทุกมุทของโลกรู้สึกว่าเป็นแดนอับเป็นโขดเป็นหินบ้างเป็นที่เรียบบ้างแต่พึ่งแกร่งมากดูรอบๆดาวเสาไม่น่าชมแต่สิ่งที่กระดกใจมีจุดหนึ่งนั่นคือดาวเสา <c oughs> มีแนบประหรลัด <c> ไ <oughs> ม่ได้นบด้ความใสคล้ายแก้ว ก็สงสัยว่าแล้ประเภทนี้จะมีประโยชน์อะไรทั้งสองแม่ลูกมองมามองไปก็ไม่สามารถจะคลายความสงสัยได้ทั้งสองคนจะนัดถืงสองหขาบประจอมไตรคีอพระพุทธเจ้า่อ <c oughs> ความจริงนักผู้สงชันก็ดีทรงยานก็ตามทุกอย่างถ้ามีอะไรสงสัยเขาต้องนัดไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคน เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่ราไม่ทรงรู้ย่อมรู้ทุกอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าและความรู้สึกก็เกิดว่แร่นี้เป็นแร่ที่มีอนุภาพมากสามารถจะบันดาลสิ่งที่มองมละเห็นให้เห็นได้ของท้่อยู่ไกลแสงไกลที่ใดแมใครไม่สามารถที่เห็นได้ถ้าได้แร่ประเภทนี้สามารถเห็นได้ในใด น, ในใไกลเมื่อนี้สมมติว่าถ้าฝรั่งมาที่นี่ได้ แม่แร่ไม่ไปเขาจะมีสายตาไกลกว่าเท่าที่เป็นอยู่แล้วมากวหนแรกประเภทนี้ในเล่ชมพูไม่มีเลกอื่นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหมือนกันไปมีจุดเดียวที่โลกเสาในดาวพระเสาร์กรงความมันดาวพระเสาไม่มีอะไรจะชมการชมหินการชมแรกชมมากว่ากรละลำคานหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พากลุ่มากัน เมื่อตอนนี้จะไปดาวไหนดีมันนึกลอยดาวว่ากันเรื่อลอยสั้นๆตีไม่สั้นกันไม่กับนู้นก็ต้งสอนก็นปรึกษากันว่าดาวดวงหนึ่งที่เราน่าจะรู้นั่นเคือนดาวสูงโตที่อยู่ที่ตอนออกของโลกมนุษย์และโลกจำโพธิชาโลกจามรเขบอกว่าโลกนี้และดาวดวงนี้เป็นดาวอันตรภั์และเทพเจ้าให้งอันตรภั์ เพราะ่ความอันดับพานต่างๆดาวโลกนี้และโลกนี้คนมีมากประเภทอันดัาพัสองแม่โลกก็ตั้งใจไปที่นั่นความจริงการตั้งใจไปไหนย่อมถึงที่นั่น ท, ทันทีทันใดเพราะกำลังเป็นทิศกำลังเป็นทิศกดไปไปเร็วไปช้าตามกำลังของใจถ้าใจต้องการเร็วปุ๊บ ป, ปั๊บถึงปุ๊บถ้าใจต้องการไปช้าก็ไปเรื่อยๆตามกาลังของใจ ตัสองแม่โลกให้วันดวงดาวดวงนีอยู่ไกลตั้งใจไปเร็วไปแล้วก็ถึงแต่ก่อนเพื่อถึงถิงโลกต่างคนต่างก็ยับยัง้งมองดวงลาดาวสูสูตัว <c> ว <oughs> ่ามีสภาพเป็นยังไงดาวสูสตูวจริงๆจรางนณะที่อยู่โลกชมพูมองไม่เห็นไม่เห็นเนืกายขอนดาวชมพูด้วยสายตาเนื้อแต่ว่าถ้าใช้กล้องอาจจะมองเห็น อาจจะต้องไปกล้องดูดาวกล้องดูดาวว่าเป็นยังไงสองแม่ลูกก็ไม่รู้ไหมือกันแต่ฟังข่าวว่าเยอรมันดูโล ก, กลว้างคานนั้นด า, าวว่างคานมาตั้สองแม่ลูกเป็นเด็กก็สามารถดูเห็นกันนอนในตาเปล่าเห็นแล้วไม่เห็นก็ไมทราบพราะไม่รู้จักโลกนี้ก็อยู่ไกลสายไกลมันเข้าไปความแพร่าพ า, าก็โลกไม่หาได้น้อยต้องดูจริงๆแล้วสองแม่ลูกจริง ก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้หนักในด้านของความร้อนแต่ก็ไม่ใช่ร้อนมนในด้านเหมือนได้านขอหัวดาวกระศุกแต่อากาศรู้สึกมีการกลั่นมากจู่แคนที่อยู่ที่นี่ถ้ามีความชิงก็ไม่เป็นไรสองแม่โลกจะเลื่อนตัวลงไปให้ต่ําโดยรอบรอบของดาวดาวดวงนี้จริงๆเข้าใกล้ก็คือโลกเป็นโลกที่มีสัตว์เป็นโลกที่มีคนเป็นโลกที่มีแม่ม้าแม่น้ำ ลำคลองมีทะเลมีมหาสมุทรเป็นโลกที่มีต้นไม้ต้นหญ้าก็มองความเป็นโลกเหมือ น, นกันโลกทั้งหมดพัฒนาไปก็เหนื่อยเปล่าๆฟังแล้วก็ลำคาญต่อมาก็ดูเขตก็คนในประเทศนั้นในดวงดาวตอนนั้นนั้นโลกตนั้นก็ปรายกว่ามีเขตประเทศมากแต่ละประเทศมีความเจริญและความเสื่อมไม่เสมอกันบางประเทศก็มีความร่วงเรืองมาก บ า, บางประเทศก็มีความเสื่อมโทมมากบ า, บางประเทศก็มีป่ารกชัก บ, บ, บางประเทศก็มีกา ร, การเกษตรหนักบ า, นบางประเทศกหนักในการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวชาวเกาะพวกชาวเกาะนอีมีความสามารถเป็นพิเศษมองดูชาวเกาะก็เพลิดเลในการหาปลาของเขาการดประมงเขาเก่งมากวิธีการหาปลา ประเทศเรานียมใช้อวนลากถ้าอะไรบ้างก็ไม่ทราบใช้โป้ใช้อวนอวนตั้งที่บ้างที่ลากบ้างถ้านรือกาแล้วก็เรือตังเกย์เขายัางไงก็ไม่ทราบต่ว่าชาวประมงโลกนี้เขาใช้ระบบฟิสิกศาสตร์เบาๆข้าวนาที่เจี๊ปลาเขา้าเขาใช้ปืนยิงม้ปืนนั้นไม่มีกระสุนแข็งเป็นแสงเขาเอาแสงอะไรก็ไม่ทราบ กเรียว่าแสงปืนก็อลไรกันเป็นแสงเป็นสายยิงไปเพรยิเป็นกระทบน้านนนําจะมีเสน่ห์ก็รซึ่งเรีกว่ากระจายไปกว้างขวางมากบรรดาปลาที่กระทกก็ท่านหลังสีเข้าก็จะตายตายแล้วก็มาจมรอยเขาก็เข้าไปช่อดเราตามสบายจะรู้สึกว่าชาวระมงเขาเมานี่หากินทําบาปได้ง่าย เกี่ความวิทยาศาสตร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาจากโลกอื่นเข้าใจว่าโลกนี้จะเก่งด้านรังสีมากก็ดูต่อไปเข้าถึงวันดินใหญ่ประเทศใดๆที่ยังไม่จเจอเองก็มีมากที่หนักเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีมากจิตใจก็นึกว่าจอมสูโตอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าประเทศโดยเฉพาะ อ, อ, อย่างยิ่ง ที่ชาวต่อจามลอยเขาบอกว่าสูตูเป็นจอมมรทภานมีญาณพาณพิเศษสามารถเป็นโลกมรุษยได้อยากจะรู้ไมืม่อจิตอยากจะรู้ต่างาลังของจิตไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องนำ <c oughs> สภาพกายที่เบาก็เลื่อนไปสู่ประเทศนั่นทันทนออนีไม่รออยู่เบื้องบนมนงดูคนที่นั่น ไม่น่ารักเหมือนคนในโลกะสกหรือโลกจามอนชาวโลกซูโตนี้มีรูปร่างเหมือนแขกผู้ชายค่อนข้างสูงผิวดำแล้วเกรงไม่ใช่เนื้อเต็มเหมือนชาวโลกจามอนหรือว่าจามอนและโลกะสมหน้าเฮี้ยมๆแสดงนี้ค่อนข้างจะมีความรุนโดร้าย <c oughs> เรื่อผู้หญิงก็ผิคล้ายกันร่าง ท, า น, ทานนิดนิดไม่อ่อนมากมีเนื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยสภาพของอาหารในประเทศนี้รู้สึกว่าชอบของดิบๆกินผักก็กินผักดิบๆไม่ค่อยจะนิยมของสดปลาก็ชอบปลาเพล่าอบล่าเนื้อเพล่ามากกว่าของสดอาหารในสําหรับ ขอนที่ทําสุกด้วยไฟหา ย, ยากเันทีแต่อาหารแบบเพื่อที่สุกด้วยส้มก็ดียางอื่นก็ดีด้วยน้ำอย่างอื่นก็ดีมีมากพม่ใช น, นัง่งจะเป็นข้าวเป็นยําไปเลยก็คิดเต็มทีว่าชาโลกนี้มีความมีอยู่สะดวกอาศัยไฟน้อยในเมื่ออาหารที่เป็นกับข้าวมีแล้วก็ดูข้าวอาหารที่กินเป็นข้าวบังแล้วไม่ใช่ข้าว มองไร้บนถั่วดิบมีถั่วคล้ายๆสภาพถั่วฝักยาวบ้างคล้ายถั่วแปดบ้างเป็นต้น <c oughs> เขากินถั่วกันแต่ว่าข้าวก็มีเหมือนกันข้าวสุกเ ข, ขาก็มีแต่รู้สึกว่าชาวนอกนี้จะทัพประเทศนี้นะ่ะจะนิยมข้าวสุกน้อยกินผักดิดๆมากกว่ากินกลับกลับ แล้มากทีนั้นเนื้อปลาเนื้อปลาปลาปลายำเ ม, มืกับข้าวออย่างหนึ่งก็คือเนื้อเค็มเขาหั่นจากเนื้อดิบๆปลาเค็มจากปลาดิบๆก็นํามากินว่าสงสัยว่าเขาจะทำให้หมดข่าวแล้วในบางทีก็มีความสัมแม่โลกเป็นความรู้สึกว่าคนโลกมีขาก็กลายแข็งตันก็แข็งของเหนียวๆกัดได้สะดวกางานลื้อถ้าโยนโลกสุโภ เรกัดหิง้งกัดจอบกัดเสียงได้แบบสบายๆเาามื่อห้กามอนไ้เพื่อปล่อยไปคพือเรื่อเป็งกายผู้คนโลกนี้ก็เหมือนแขกผู้หญิงก็มีผ้าหม่มคลุมจนถึงส้นแตก็บางผู้ชายก็เรืกก่องกางเกงกางเกงของเขาดูเหมือนจะไม่เหมือนกางเกงของเราเป็นผ้าเนื้อเล่นนิดนิ มันคล้ายๆกานเกงที่มมใช้ตามธรรมดาแต่ปลายขากางเกงบานๆรองเท้าทั้งหมดก็ไม่ทราบความหมายไม่มีความต้องเตือนอธิบายต่อไปเข้ามาดูระบบวิทยาศาสตร์ไปเมื่อยแล้วระบบวิทยาศาสตร์ประเทศนี้เจริญมากไม่แพ้จามนอยเรื่องต่างๆี่ก็าทำเรื่องเไม่วิทยาศาสตร์ที่ก็ไม่อยากอธิบายไม่รู้จักชื่อดูคราวเดียวพร่าๆไปหมด การกระทำทู้กสียงทุกอย่างแดบเป็นแบบง่ายๆซึ่งทุกอย่างจะดูคือยาละอากาศที่รู้ว่ามันมียาลอากาศเปนความจริงเพียงใดเมื่อใจนึกเข้าไปถึงยาละอากาศลําแรกที่เข้าไปถึงก็มีความแปลกใจแต่เลิกทําอะไรไม่ออยางเหมือนกันลําแรกมีสภาพคล้ายเรือซําเผาก็คล้าย ลายเรือต่อที่ก็มันทุกข้าวกับข้าคือหัวบุ้งปูแต่ในสภาพยาวข้าคือสําเภามีเสากระโดงสูงสามเสามีสภาพเหมือนมีใบแต่ไม่ใช่ใบมันเป็นโลหะเมื่อไม่พิจารณาไปแล้วใจก็ น, นึกว่าบใบนี้เราใชา้ทําอะไรแตบปลายคนว่าทราบแต่กําลังใจถ้าใช้กํากลังพระช่วย ว่าใบนี้ก็คือสื่อการติดต่อมันก็เสาอากาศเขาจะดูได้ทั้งภาพจะดูได้ทั้งเสียงจะดูมาอานดูอากาศต่างๆความเป็นมาสามเสาด้วยกันว่าถึงอากาศที่อุตุนิยมวิทยาเเสารหนึ่งว่าถึงภาพเสารหนึ่งว่าถึงเสียงเสารหนึ่งเปนดูสายของเขาไม่โยงเกดกะ คือค่อยๆทำมันตุ่มกออกมาจากเสาระใบขอบๆ ข, ของใบ <c oughs> ถ้าถือว่าเราสืบติสืบติดต่อแต่คำว่ า, าใบนี่ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาไม่ใช่เหมือนเราจำเปาเป็นใบขึ้นจากเรือจากคุ่พุ่งเราไม่เกินสอเม็ดใบก็เป็นแผงไม่โตเนื้อลำนี้ยางกัดลำนี้ใหญ่มากเข้าไปแล้วมีที่นั่งที่นอนสบายเต้นรังสีไมยาวด อยากจะดูอาวุธที่พวกอาจามนบอกว่ามันนักก็ดียานภาณัสก็ดีที่สูญหายในเล่าจาพีนั่นเล่าจำโพจ้าโหงนี้เป็นคนจัดการอยากจะดูอาวุธของเขานั้งเป็นยังไงตอนนี้แบนไปแล้วพบสภาต่างๆเรื่องความว่าอาวุธของเขาก็ไม่มีกระสุนปืน <c oughs> มีสภาพคล้ายๆกับลองกล้องแต่งกล้องก็ไม่าาาายาวแล้วก็มีสภาพขอนกระปุ่มกดคนจิ้มจิ้รเบๆเป็นสีนต่างๆกันก็มีความเข้าใจว่าอาวุธที่คนใช้แต่ลายแบบแต่ย่างมีความว่าชมไปแล้วยันอกาศก็มีมีหลายรูปแบบเมื น, นี้ก็ไม่อยากจะชมมากว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความเก่ มองไปที่ไหนไม่มีความสุขใจเลยมองบางคนก็หาความชื่นใจไม่ได้หน้าเหนียวชื่อว่าหมดเบื่อตึงทําท่ามันโดดๆเสมอนั่นบุชายผู้หญิงก็หาทางยินยากอากาศก็ไม่เคยสดชืน่นโลกประสขโลกโลกจามอนอย่างนี้เรียกวโลกโสมตัวใจไรใจคนแม่ว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโลกนี้ไม่มีความสุข แม่ก็จะบักว่าก่อนที่จะไปเราควรจะพบใครสักคนหนึ่งดีกว่าไหมจุไรก็บอกว่าเขาโดขนาดนั้นจะกูเขาได้ยังไง mm. แม่ก็บอกว่าในเมื่อเราเป็นคนมาจากที่อืน่นเหป็นแขกแขกพูดมาบ้านเขาเราไม่ใช่ศัตรูก็คิดว่าคุณจะกูกันได้ถ้ากําลังใจของเขาเพื่อเกินไปแล้วก็นึ่ตึ๊ถึงพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าก็จะช่วยเราได้เราต้องเชื่อบารมีของพะพุทธเจ้าขณะนั้นสองแม่ลูกจงรงไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนยืนอยู่เป็นกลุ่มแล้ในที่นั้นมีผู้ชายเหมือนแขกแต่งตัวสวยกว่าคนทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางบรรดาบริษัทของเขากําลังให้อวาสดหลังจากเขาเสร็จจากการให้อวาสดแล้วสั่งการก็ไปทราบ เขาก็ไปนั่งที่พัดตามลําพังคนเดียวในห้องในห้องของเขารู้สึกมีเครื่องทําความเย็นเย็นมากมีขคร่งทําสางสว่างมากอุปกรณ์จับภาพจับเสียงมีเยอะสิ่งที่อยต่างๆในโลกภายนอกปรากฏในจอภาพของเขาเขาตั้งไม่เฉพาจุดต่างๆที่เป็นชาวโลกเป็นต่างโลกแต่ละจุด องความโลกต่างๆไม่เป็นความรับสําหรับเขาการเคลื่อนย้ายต่างๆอยู่ในภาพอยู่ในจอทั้งหมดมีภาพปรากฏเสียงก็ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ประจําแต่ละจอแต่และจอแล้วก็จุดการางของจอเป็นจอใหญ่แบ่งเขตหมายความภาพทุทกๆจอจะเข้ามาอยู่ไปจอใหญ่เป็นจุด ร่วมในการและผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่สามารถจะรู้อะไรได้ทันทีทันใดโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรายงานเขายืนภาพเด็ดได้เลยไม่ต้องรอรายงานอย่างเดียวรู้ทั้งภาพรู้ทั้งเสียงรู้จากการเคลื่อนไหวถนนเมื่อเห็นเขาสบายแล้วแม่กับลูกก็เข้าไปเขายังสองแม่ลูกเขาก็แปลกใจถ้าเธอสังคนแสดงร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแม่ตัวใหญ่ โลกตัวเล็กแม่มีผิวขาวนวลหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถือเนื้อเต็มเต็มค่อนข้างท่วมโลกสามีลักษณะคล้ายถึงกันแต่ตัวเล็กโัตจุกเขาเข้าไปแขกผู้ใหญ่ก็มองหน้าถามว่าเธอมาจากไหนพ่อแม่ทขานไรก็ตอบว่าฉันมาจากโลกชมพูถ้าถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหน แม่จุไรจะบอกว่าโชดิทางด้านทิศนี้ถ้าอยู่ที่โลกนันท่านมองไปโลกตะโพลและจะดูทางด้านทิศตะวันตกเขาก็ที่ปริจจภาพวทา น, นี่ใช่ไหมแม่ของจุัยก็มองดูก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งเห็นภาพวัดพระแก้วเห็นภาพพระมหาเลยะบงังเพื่อจะตอบว่าใช่โลกนี้แล้วก็ฉันอยู่ที่ประเทศนี้ใช่ก็นน่นเขาก็ยกิ่งเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศนี้ แม่ก็นสนใจหลายๆประเทศแม่จุไล ย, ยันถามว่าท่านเคยไปโลกชมพูไหมเขาตอบว่าเคยมาบ่อยถามว่าจากที่นี่ไปโลกชมพูใช้เวลาเท่าไหร่เขาตอบว่าถ้าเวลาคืโลกชมพูจากที่นี่ไปโลกชมพูเวลาคือโลกชมพูบอกว่าสิบเจ็ดชั่วโมงแม่จุไลาถามว่ายามอากาศของท่านเคยชงหายเครื่องบิน ในส้าหารในรบในโลกจมพูบางไหมเขายิ้มในกระแตว่าเจตนาเพื่อสังหารไม่เคยมีโลกจำพูไม่เป็นศัตรูกัโลกโสมตัวแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่พิสูจน์อาวุธเป็นการทดลองอย่างเห็นเหล็กโปรยน้ามาคำว่าเหล็กโปรคื อ, อรบเพืก็อลงองเยาวัดไปป้าเดียวก็ละลาย บางครั้งให้แหลกโปรยายบรรยากาศลงังอาวุธไปไม่กโปนแล้วก็ลายเราทําการที่สูจนเพียงเท่านี้ไม่เคยรบ ก, กับใครเกี่ยวความว่าความเป็นผู้ใจร้ายเฉนหดปรากฏแรกกระฉาวโลกสู่ตัวอรบรนดาลูกรักทไหลไม่มีเวลาหมดส้นแล้วตรับตอนนี้ลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีกระลุกรักหลานลักทุกคนสวัสดี